มันเหมือนกับใช้ความตายแต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าจะใช้ภาษาคือฆ่ากันทางจิตปั ญ, ญญาณแต่ฆ่าโดยความโกรธเกลียดชังพยาบาทหรือว่าอะไรต่างๆ น, นี้นะก็เลยบอกเอาละฆ่าเกียดเองฆ่าไม่ชอบเองเพราะฉะนั้นชาตินี้อย่าคุยกันเลยฆนะ่ากันทางจิตวิญญาณแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฆ่าจิตวิ ญ, ญญาณคนอื่นหรอกฆ่าจิตวิ ญ, ญญาณตัวเองเห็นไหมนี่แหละ ฆ่าจิตวิญญาณเองแล้วถ้าใครเนี่ยสั่งสมสภาวะนี้ไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากเข้ามากเขามากเขามันเกลียดชังเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าในที่สุดนะถ้าทนไม่ไหวก็ฆ่าเขาได้อ่าเกลียดชังมากๆเขาอ่ะมันถึงจุดของมันมันฆ่าเขาได้นะถึงจุดเดือดไม่ใช่จุดเย็นนะถึงจุดเดือดฆ่าเขาได้เลยอื ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ตอนเด็กๆตอนเหตุการณ์แรกๆแล้วก็ลืมอ่ออาอ่ลาล้างยาล้างยาได้แล้วลืมแล้วยังไงมันยังค้างคาอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างเพียงแต่ว่ามันลืมเข้าใจไหมมันลืมแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันสูญไปแล้ว มันลืมก็จริงแต่ว่ามันลืมบางทีเนี่ยมันลืมชั่วคราวมันลืมแค่บางครั้งเพราะว่าเรามีเหตุอื่นเป็นเรื่องอื่นหรือว่าอะไรมันก็เลยทําให้เราไม่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดวันไหนมันมีอะไรมาสะกิดคุณขึ้นมาคุณก็สัญญาขึ้นมาเพราะวันยังฝังอยู่นี่มันก็ระลึกขึ้นมาว่าโอ้โหคนนี้เคยทําเราเจ็บแสบอย่างนี้เราเกลียดมันก็ขึ้นมาอีก อ๋ถ้าเหตุการณ์นี้เปเหตุการณแรกเสร็จแล้วคราวนี้คนนั้นก็พูดง่ายๆว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตนี่แหละนะมากเข้ามากเข้าได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้การไปหมักหมมหรือว่าการที่เราไปรู้สึกเกลียดชังใครหรือว่าแค้นใครเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นเรื่องที่จะทําให้เราทุกข์แล้วก็อาจจะมีผลที่จะทําให้เราถึงขั้นฆ่าเขา หรือว่าเกจเขาหนักขึ้นกว่าเดิมในที่สุดนี่คนนั้นรู้แล้วนี่มีสัมาธิฏฐิเกิดขึ้นวันพอคนนี้มีสมาธิฏฐิอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่องอะไรอยากจะไปให้ความรู้สึกอย่างนี้อยู่กับเราอีกหรืออยากอยากจะไปจําอย่างนี้ไว้อีกเพราะเรารู้เสร็จแล้วเขานี้ว่าโอ้โหสวยถ้าขืนไปจําอย่างนี้ไว้เพราะเขาคนี้ก็มีแต่จะพยายามภาษาโลกโลกเขาบอกยิ่งพยายามอยากลืมเลยใช่ไหม แต่โดยที่ถูกต้องถ้าเป็นทางธรรมะเราเราต้องใช้ว่าวิปัสนาเราก็ต้องพยายามมาไตรตรองมาพิจารณาที่จะไถยถอนไอความรู้สึกที่ไม่ดีพวกนี้เอาออกไปเอาออกไปอย่าให้มันเหลือเอาไว้อยู่ในจิตวิญญาเราเพราะว่ามันยิ่งอยู่เรายิ่งซวยวมันก็มีแต่จะต้องถอนออกไปด้วยด้วยจิตของเราเนี่แหละ เพราะมันอยู่ในจิตวิญญาณเพราะเราต้องใช้จิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละแต่ใช้ปัญญาในการไถ่ถอนในการพิจารณาแล้วก็สลายมันไปก็มันไม่จาเป็นว่าต้องเป็นเรื่องเดิมนะถ้าประสบการณ์ชีวิตเขามีมากขึ้นเขาอาจจะมีสมาทิฐิ เกิดขึ้นเข้าใจไหมึมยคาาหนักก็อเการอย่างนี้่าคนเดิมนอ่างนี้แต่เขาต่น้อยลงหือนนล่ะเขาจะต้องมีสมาทิฏีมากขึ้นแล้วก็เขาก็จะต้องฝึกตัวเขาเองมากขึ้นด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไปเจอซ้าอีกเขาจะไม่มีน้อยลงเพราะไอ้ของเก่ามันมันมีขนาดหนึ่งแล้วถ้าของใหม่มาเจออีก มันก็มีแต่ทบต้นเท่านั้นเองมันไม่มีน้อยลงแต่ถ้าเขามีสั ม, มาธิฏฐิเกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ตามแต่มันทํานองเดียวกันเนี่ยคือคือกิเลสตัวโทสะหรือตัวพยาบาทอะไรเนี่ยมันเหมือนกันแต่พอเขาก็ไปกระทบเรื่องอื่นแล้วมันมีผลที่ทําให้เขาเรียนรู้ทําให้เขาเข้าใจว่าโอ้โหไอ้เกียรชังไอ้แค้นคนนี่โอ้มันมันน่า ก, กลัวมันอันตรายอย่างนี้นี่เขาเข้าใจแล้ว พราะข่าวนี้พอเพรามากระทบเรื่องเก่าแต่เขารู้แล้วนี่ว่า ม, มันอุปมาได้มาแล้วมันเปรียบเทียบมาได้แล้วว่าโอ้โหถ้าเราไปโกรธไปเกลียดชังอย่างนั้นซวยนะยิ่งแย่นะพออ้ข่าวนี้เมื่อมากระทบใหม่อีกทีหนึง่งแต่เขาจะไม่ไปโกรธหรือว่าไม่ไปเกลียดชังไม่ไปอะไรจะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรเหมือนเดิมแล้วเขาจะไม่อย่างนั้น พราะเขาเริ่มรู้ขึ้นมาซะแล้วนี่คือความแตกต่างกันไม่จําเป็นเลยว่าเขาจะต้องไปกระทบเรียนรู้จากเรื่องเก่าอย่างอย่างเดียวเข้าใจไหมเขาอาจจะเรียนรู้จากเรื่องใหม่ก็ได้แต่มันทําให้เขาฉลาดขึ้นแล้วไงทำให้เขามีปัญญามากขึ้นเลยไล่ปัญญาตัวนี้แหละที่เรารู้ขึ้นมานี่แหละมันถึงจะหนึ่งไปสลายของใหม่ที่จะเกิดขึ้นสองคราวนี้ ของใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นเรายังพยายามสลายเลยไม่ให้มันมีคราวนี้ของเก่าที่มีอยู่ก็ยังพยายามสลายทิ้งอีกด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็จะเกิดสัมมัตประธานสี่ขึ้นมาไงในการที่จะสลายแต่ต้องเกิดก่อนต้องเกิดปัญญาในทางธรรมขึ้นมาก่อนมันถึงจะรู้สมาัิจิตแล้วถึงจะไปสลาย ไอ้กิเลสเราพวกนี้ลงไป อ, อีกตัวอย่างหนึง่งปฏิบัติธรรมถูกต่อต้านมากเทียงเขาก็เอาชนะไม่ได้แต่ใจก็ยังไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็เลิกปฏิบัติธรรมเสียเลยให้มันรู้แล้วรู้รอด <c oughs> ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนี่ก็เป็นลักษณะการใช้ความตายเข้าตัดสินอย่างหนึ่งเป็นการตายจากธรรมะอย่างน่าเศร้าใจ ซึ่งพวกนี้ในจิตเบื้องลึกนั้นย่อมบูชาตัวเองของตัวเองมากกว่าตัวตนของศาสนาซึ่งเมื่อเจอปัญหาให้ตัดสินก็เลือกเอาการทำลายศาสนาแทนคือเลิกปฏิบัติธรรมไม่รู้พอจะเข้าใจไหเนี่ยฟังแล้วก็ขำเหมือนนแต่จริงๆอย่างนี้มีเยอะ จริงๆแล้วอยากจะปฏิบัติทำอ่านั่นแหละเราจะใช้ภาษาประชดก็ตามนะแต่ว่าแล้วตอนแรกเนี่ยที่อยากปฏิบัตินี่แสดงว่าต้องศรัทธาถูกไหมต้องมีกิตศรัทธาต้องมีความรู้สึกว่าดีเราถึงอยากปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้โหโดนคนโจมตีโดนคนต่อต้านโดยเฉพาะยิง่งถ้าเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เรารักนะ ต่อต้านเราเนี่ยโอ้โหมันหมดอะไรเลยนะหมดอะไรตายอย่างในชีวิตเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทําไมต้องมาขวางเราทําไมต้องมาอะไรอะ่ะห้ามเราอะไรต่างกันนะ น, นแต่ตอนนี้แทนที่จะชัดเจนในความถูกต้องก็กลับไปกลายเป็นอย่างที่บอกก็คือกลายเป็นประชดประชดส อ, อย่างคือ1ก็คือ ประชดคนอื่นที่ทาไมจะต้องมาขัดขวางนะสก็คือกลายเป็นประชดตัวเองประชดตัวเองเหมือนกันที่ตัวเองเนี่ยระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้ดีอยากจะปฏิบัติไปแล้วโดยความรู้สึกของตัวเองคือในเมื่อเราทําดีเนี่ยเขาน่าจะมาสนับสนุน เขาน่าจะมายกย่องเขาน่าจะมาชมเชยแต่การกลับเป็นว่าเขาต้านมันเลยเหมือนกับผิดหวังมันเลยรู้สึกว่าไม่สมใจตัวเองเข้าใจไหมเพราะมันก็เลยแบบประชดตัวเองอย่างนี้ซึ่งมันมันไม่ถูกต้องไงแรงว่าคนนี้เนี่ยก็ในเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหมมันดี อ้าวคนต้านคนว่าหรือว่าอะไรเอาเขาอาจจะหาว่าเรานี่มันเคร่งเกินไปหรือเขาอาจจะหาว่าเราอะไรอ่ะทำเวอร์เกินไปหรือว่าทำเกินฐานะทำเกินตัวเอาเราก็ต้องรู้สิว่าเอออันนี้มันเกินฐานะมันเกินตัวหรือเปล่าถ้าเรามาพิจารณาแล้วเออมันเขายัางยอมรับไม่ได้นะ่หรือว่าเราทำแล้วเออมันเกินไปจริงๆเราอาจจะต้องลดลงมาบ้าง แต่แนวทางมันดีใช่ไหมมันถูกต้องก็ยังคงทาไปตามแนวทางที่ดีที่ถูกต้องใช่ไหมล่ะไม่ใช่กลายเป็นพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยกลายเป็นตัวข้ามเลยกลายเป็นไม่ทำไปเลยทั้งที่เราก็ยังรู้อยู่ว่ามันดีแต่เราก็ไม่ทำเลยไอ้อย่างนี้เนี่ย ม, ม, มันแบบมันประชดนะในที่นี้เขาก็เลยถือว่าเหมือนกับอย่างเนี้ยก็เหมือนกับ ก, บการฆ่าตัวตายแหละแต่ฆ่าตัวตายจากธรรมะ ค่าตัวตายจากสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็ก็ได้นะโยมเขาบอกว่าเหมือนกับอยากจะมาทำดีเสร็จแล้วปรากฏว่าทาไม่ไหวทำไม่ได้ก็เลยออกนอกวัดไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่มันมีอยู่ว่าบางทีก็ไม่ได้คิดจะบุญบุญชดหรอกนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริง คืออันนี้หมายถึงว่ามันไม่ไหวจริงๆ น, นะก็เลยคล้ายๆกับว่าอาจจะประมาณแล้วก็ได้ว่าตัวเองมันยังไม่เหมาะมยังไม่สมก็เลยต้องออกจากวัดไปก่อนถ้าออกจากวัดไปแล้วก็เออไปพยายามเพียรใหม่ฝึกใหม่เพราะว่ายังไม่ใช่ฐานของเราอะไรอยงนี้นะเออถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าประชดหรือว่าไม่ถือว่าเหมือนกับฆ่าตัวตายอยากทำบะแต่มันเป็นความที่ว่าเขาชัดเจนตัวเขาแล้วว่าว่ามันยังไม่ใช่ฐานนะ ที่เขาจะถึงขั้นมาอยู่วัดได้อา้าวต้องไม่ใช่กลับไปแล้วไปเลสเทสสิก็กลับไปหมายถึงว่าเขาก็สมมติว่าออกไปจากวัดแต่เขาก็เอาสิสมมติว่าต้องมาอยู่วัดนิสิณแปใช่ไหมออกไปก็สามารถถือศีลห้าได้ถ้าเขาออกไปแล้วเขายังพยายามถือศีลห้าอยู่ก็แสดงว่าเออคนนี้ไม่ใช่ประชดไม่ใช่แปรอะไรแต่ว่าเขารู้ฐานะเขาว่าเขายังไปอยู่วัดเนี่ยจะไปถือศีลแเนี่ยเขายังถือไม่ไหว ใจมาถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ประชดอย่างนี้เป็นการที่เขารู้จักตัวเขาเองชัดเจนขึ้นแต่พวกที่ประชดก็คือจริงๆแล้วถือได้อยู่วัดก็อยู่ได้ถือศีลแปก็ถือได้แต่โดนคนติบ้างโดนคนว่าบ้างคนไม่สนับสนุนบ้างเสร็จแล้วก็เลยชักหมุดหีดละชักลำคาญชักไม่พอใจละบอกเออเรามาทําดีทําไมยังมาพูดอย่างนี้อยู่เรื่อย นะชักไม่ชอบใจชักไม่ถูกใจนะถ้ามันสะสมไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็เลยประชดซะเลยไม่อยู่ก็ได้ไม่ต้องถือศีลไปก็ได้อะอย่างนี้แหละประชดต้ก็ไปเลยทั้ง น, นี่ความจริงทําได้ถือได้นะนี่น น, นี่คือความแตกต่างกันเสียคนไปลักษณะนเนี้ยเสียค น, น, น, เ, ยคนเพราะว่าไปแบบประชด ใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้คำว่าประชดคือเอาอีกมุมหนึ่งมาเอาชนะเขาแทนที่จะเอาความดีชนะเขาเนี่ยนะเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไปทําอะไรที่มันตรงกันข้ามกันเพื่อที่จะมามาประชดเอามาเอ า, เอาชนะอย่างเช่นเราทําดีใช่ไหมสมมติเราถือศีลใช่ไหมสมมติเราถือศีลเข่งอา้าวกินมื้อเดียวได้กินมังสวิรัติได้ ทำตามกฎระเบียบทำกิจวัตรอะไรได้ใช่ไหมบางคนเขาก็โอ้โยมันไส่ทำเป็นมาทำดีอย่างเงี้ยเพื่อเอาหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจจะว่าเขาอาจจะอะไรอย่างงี้แหละก็แล้วแต่ว่าใครมันจะไปหาสรรหาเหตุผลอะไรมาพูดนั่นแหละเพราะมันไส่คนที่พูดนี่มากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้ า, านะจริงๆตัวเองถือศีลได้ดีอยู่ด้วยแข็งดีอยแต่พอมันไส่คนพูดมากๆเข้าก็เลย จะเอาชนะไอ้ไอคนที่พูดนั่นแหละใช่ไหมแต่แทนที่จะเอาชนะในทางที่ดีคือยิ่งถือศีลให้ดีขึ้นหรือว่าฝึกกิตฝึกใจตัวเองให้ดีขึ้นไม่ทำอย่างนั้นกลับกลายเป็นดูนีเราทำดีมันก็ว่าอยู่เรื่อยมันข่าวนี้ก็เลยเอาเลยกินเป็ดกินไก่หรือไม่ก็นั่นแหละไปทำอะไรแย่ๆเพื่อที่จะทำให้ไอ้คนที่มันชอบมาว่าอย่างนีใช่ คราวนี้พอมันมาเห็นเราทําอย่างนี้บางทีมันก็บอกนี่เนี่ ย, ยทาตรงข้ามกับที่แกพูดคือถือว่าชนะไงถ้าทําตรงข้ามกับที่เขาพูดเนี่ยถือว่าชนะหรือว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับจะได้ ย, ยุยยเขาโกรธได้ยุยยเขาแบบไม่พอใจบ้างแทนที่จะไม่ใช่เราไม่พอใจอยู่ฝ่ายเดียว <c oughs> นั่นแหละมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะบางทีซึ่งมันไม่เข้าท่าเลยเป็นมิจฉาทิฐิ นะไม่ฉลาดไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มวไวไม่รู้ตัวแล้วผลสุดท้ายมันก็คือจิตตัวเองนี่แหละตามจิตตัวเองไม่ทันตามไม่ทันว่าไอ้ที่ทําอย่างนั้นนะ่ะจริงๆแล้วลึกๆึ ก, กแสดงว่าคนนั้นนะ่ะมีกิเลสมีความอยากอยู่มากแล้วพราะโดนเขาสะ ก, กิดเสร็จแล้วก็เลยถึงได้ไปใช้มุงตรงข้ามเนี่ยไปเอาชนะเขา โดยจริงๆแล้วถ้ากับช่วยโอกาสแหละกิเลตัวเองนะมันอยากอยู่แล้วอ่ะลึกๆะนะช่วยโอกาสว่าเออว่าอย่างนี้ใช่ไหมว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเอมดีไม่ต้องถือศีลเลยเอาไปทําอะไรให้มันย่าเปยดีกว่าจริงๆลึกๆมันมีเชื้ออยู่แล้วที่ตัวเองมาถือศีลแข่งอยู่ได้นะั้บางทีมันอาจจะเก็บกดเอาไว้ก็ได้มันยังไม่ใช่ได้จริงไงอ่ามันเก็บกดเอาไว้ไง มันพอมาโดนอย่างนี้เข้าโดนนี้เข้าก็เลยเป็นข้ออ้างเลยจริงๆแล้วกิเลสตัวเองก็เลยคว้าหมับเลยเป็นข้ออ้างเลยเออดีแล้วจะได้ทําให้มันเสียให้หายไปเลยลึกๆแล้วบางทีมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ช่วยโอกาสเนี่ยอา่าสมมอีกตัวอย่างหนึ่งคนรักกันจึงทําลายตัวเองประท้วงด้วยความสะหัวใจที่ของรักของคู่รักถูกทําลายแต่แต่ว่าของรักนั้น ก็คือตัวเองมันจึงกลายเป็นความอำมหิตอย่างที่สุดของผู้นั้นไปเพราะผู้นั้นทําลายของรักที่สุดของตัวเองและของผู้อื่นในเวลาเดียวกันอันนี้เขาก็หมายถึงคนคนรักกันเนี่ยนะทาลายตัวเองประท้วงด้วยความสะหวัวใจที่ของรักของคู่รักถูกทําลาย ทั้งที่ทริงกัรักกันน่ะยิ่งไม่ต้องอื่นกายเอาผัวเมียอย่างเงี้ยผัวเมียอย่างเงี้ยสมว่าเขา้าเข้าของในบ้านเงี้ยจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นของร่วมกันใช่ไหมเป็นก็ของเ ด, เดียวกันนั่นแหละนะแต่แทนที่บางทีนี่อะไรอะ่ะคือเขาไปรู้สึกเองว่าบางทีเป็นของฉันเป็นของแกอะไรเงี้ยในความจริงมันเป็นของร่วมกันอยู่ถ้าบางทีตอนไหนนึก ไม่ชอบใจกันมั่งก็ว่าท้วงมั่งอะไรมั่งอะไรก็แล้วแต่นะว่าชดมั่งโอ้โหนี่นี่ของของแกใช่ไหมเวยงแตกทําลายอะไรไปแต่จริ ง, รงๆอ่ะก็ของของแกคือของฉันนั่นแหละเพราะว่ามันเอ่อของดเดียวกันแต่ของด้วยกันอยู่แล้วถ้า แ, แตกไปก็ต้องเอาเงินส่วนรวมนั่นแหละไปซื้อมาใหม่ของของของทั้งคู่เว่นั่นแหละบางทีมันก็นั่นแหละประชดประชันอะไรอย่างนั้นกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเท่านี้ไม่ได้พูดถึงภายนอกนะสิ่งที่เป็นของรักเราที่สุดก็คือชีวิตชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยนะหรือว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยชีวิตที่มีร่างกายกับจิตวิญญาณประกอบกันเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดแต่พอเวลาเรานึกประชดประชันนึกไม่ชอบใจนึกหรือว่าบางทีจะทำอะไรที่มันสะใจที่มาเล ก็ใช้ร่างกายแล้วก็ใช้จิตวิญญาณนี้แหละไปทำอย่างชนิดที่เรียกว่าเสียเสียให้หายหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ดีบางคนนี่ต้องไปขับรถแข็งสะใจโอ้โหจริงๆแล้วก็เอาชีวิตตัวเองนี่ไปเสี่ยงกับความตายเหลือเกินนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสะใจทำแล้วก็แหมอะไรอ่ะ ถึงใจมันหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วโอ้โหกลังทาร้ายจิตใจตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองนั่นแหละนะไอ้พวกขับรถแข่งมั่งหรือว่าบางทีกีฬามหาโหดมั่งหรือว่าชกมวยบ้างอะไรเงี้ยทำร้ายตัวเองนั่นแหละคุณขึ้นไปแล้วก็ไปชกเขาแล้วก็ให้เขาชกเ <c oughs> นี่ยมันมันเป็นทำนองเดียวกันเนะี่ย ส่วนอีกตัวอย่างหนึง่งบางรายแม่ให้ค่าขนมไม่ครบก็ฉีกแบงค์ที่เหลือจนหมดแต่ฉีกฉีกรับๆไม่ยอมต้องฉีกต่อหน้าแม่ถึงจะมันในหัวใจนั่นแหละนะอันนี้คงจะรู้อะไม่รู้ใครเคยถึงขนาดนี้มั้งไหมอัตามาไม่เคยนะอย่างนี้เท่าที่นึกได้ยังไม่เคยเออ อาจมานึกๆอยู่ยังนึกไม่ค่อยออกนะแต่มีอาจบางคนอาจจะอาไม่อาจจะไม่ถึงขั้นฉีกอย่างนี้ใช่ไหมบางคนนี่เปิดประตูโครมใส่หน้าเปิดประตูโครมใส่อะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าต่อหน้าเหมือนกันนะอ่าหรือบางคนก็เสื้อผ้านี้ไม่อยากใส่เลยแหมซื้อมาให้เราได้ยังไงถอดเควื่องให้เห็นเนี่ย นั่นแหละแต่ว่าไอ้กิริยาหรืออาการอะไรพวกนี้บางคนเรานึกย้อนดูเราจะรู้ว่าโอ้โหเราไม่น่าทําเลยไม่รู้ไปทําได้ยังไงตอนนั้นจิตใจมันทําไมมันรุนแรงมันก้าวรา้าวมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องพยายามจับอารมณ์จิตของเราให้ได้แล้วอย่าให้มันไปใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการรุนแรง mm hmm. คือจริงมันไม่ได้คอขาบดตายในเดียวนั้น นะช่เราปิดประตูใส่หน้าหรือว่าอะไรแต่คุณรู้ไหมสภาวะจิตนั้นนะเป็นสภาวะจิตที่มันขึ้นแล้วมันก็รุนแรงซึ่งใครสั่งสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยฆ่ากันตายมาเยอะแล้วะ อ, อ, อย่างเงี้ยคุณังแก่ดูหน้าบางทีนะตอนแรกเนี่ยอาสมมติอเอาจากเหตุการณ์นี้นะพอสมมุติว่าให้ค่าขนมเสร็จนะไม่ครบเนี่ยหมายลูกไม่ชอบใจฉีกแบงค์เนี่ยนะฉีกจอหน้าแม่ อ๋อเราก็อารมณ์ขึ้นแล้วใช่ไหมเราถึงฉี่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี่พอเราอารมณ์ขึ้นเราฉี่อย่างนี้สมมุติว่าแม่ในในตัวอย่างนี้นะสมมติว่าแม่เห็นก็แม่ก็ขึ้นเหมือนกันนะอ่าสมมุตินี่สมนี่สมมุติว่าแม่ก็ขึ้นเหมือนกันแม่ก็อาจจะอืมอ่าอาจจะฟาดสักปาบหนึ่งอ่าแต่นี่นี่นี่ไม่ระวังจิตตัวเองใช่ไหมแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปแล้วนะพอปล่อยอารมณ์ฟาด ไ, ไปสักปาบหนึ่งไอ้ลูกก็อือก็ มันมันคือมันสั่งสมอ่ะมันไม่ได้ฝึกสงบระ ง, งับใช่ไหมเพราะพอเกิดแล้วก็ปล่อ ย, อยเกิดแล้วปล่อยถ้าลูกที่ทนไม่ได้นะบางทีอาจจะกระทืบปึงปังปังเนี่ยปิดประตูใส่หน้าแ ม, ลลม่เลยละโครมเลยละใช่ไหมพอปิดเป็นโครมก็ได้ระบายเหมือนกันใช่ไหมได้แบบว่าปล่อยอารมณ์รุนแรงไปอีกอ่า ดูนะมันจะค่อยๆแรงขึ้นนะแตมาจะยกตัวอย่างที่มันค่อยๆแรงขึ้นพอปิดโครมใส่หน้าแม่ไปแม่ก็ยิ่งหืงอันนี้ก็ยิ่งขึ้นอย่างเลยสิครับ น, นี้มาพอปิดไปยิ่งถ้าล็อกประตูนะสมมุติล็อกประตูนะเปิดไม่ออกก็ยิ่งหเอาละครนี้แม่ก็เผลอๆกะแทกประตูไว้มันพังไปเลยอ่าถ้าถ้าถ้ายังมาอยู่แล้วถ้าอารมณ์มันมันแรงขึ้นแรง ข่าวนี้แหละถ้าเกิดพังประตูเข้าไปได้นะสมมตินะนี่สมมุตินะมมตโอ้โ ห, โโหจะเหลืออะไรอะ่ะข่าวนี้อาจจะน่วมเลยนะอาจจะซัดลูกหนักเลยหรือว่าถ้าลูกก็รู้เหมือนกันนะกลัวเหมือนกันนะนะแต่ว่าอารมณ์ก็ยังไม่ยางเหมือนกันนะเพอเพอเบิน้าต่างกระโดดหนีแข่งขาหักอะไรก็เอาลนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ถ้าตาบใดเนี่ยเราไม่พยายามจับอารมณ์ให้ได้แล้วก็หัดระงับมันเพราะฉะนนคนที่จะรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นตายเนี่ยเพราะการที่ปล่อยอารมณ์รุนแรงออกไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อย